นอบน้อมพระรัตนตัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอากาศตรงพระกรมพระอาจารย์ทรงศิลอาจารย์พระนัุชัยแล้วก็เพื่อนะธรรมทุกท่านเนะจริญพรไม่ชีแล้วก็ยติธรรมทุกคนก็นั่งกันตามสบายเนาะจะฟังธรรมหรือฟังเพลง <c oughs> มันมีสองเสียงนะใช่ ไ, ไ้เลือกเอานะ <c oughs> ข้างนอกเขาก็เปิดเพลงเนะาะพวกเราก็สวดมนต์ทำวัดนะข้างนอกเขาก็กินเล่เาสนกสนานข้างในวัดเราก็ปฏิบัติธรรมทำบุญกันนะมันก็อยู่ในโลกใบเดียวกันเนาะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันนี่แหละนะแต่มันก็ทําสิ่งที่แตกต่างกันที่จริงแม้แต่ร่างกายกับจิตใจ ของเราเองก็เหมือนกันนะบางทีมันก็ขัดแย้งกันนะข้างนอกน่ะถือศีลน่ะเป็นนักบวชหรือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ข้างในบางทีมันก็ไม่มีศีลไม่มีธรรมนะมันก็มีนะมันก็ไม่ได้ว่าผิดแปลกประหลาดอะไรนะแต่มันก็เป็นความขัดแย้งที่บางทีมันก็มันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละน่ะ บางทีแม้แต่เราอยู่ในรูปแบบในการปฏิบัติธรรมแต่ใจมันก็ฟุ้งซ่านใจมันก็หดหูใจมันก็มีอกุศลเกิดขึ้นใช่ไห ม, อ, มอันนี้คือข้างนอกมันดูดีแต่ข้างในมันข้างในมันมันไม่ได้เรื่องนะแต่ถ้าเราฝึกส ต, ติไปเรื่อยมันจะค่อยๆเปลี่ยนนะ เปลี่ยนจากข้างในนะมาสู่ข้างนอกแต่บางทีการศึกษาบางทีเราเน้นที่การทำข้างนอกให้ดูดีนะแต่ไม่ค่อยได้สนใจข้างในเนาะเหมือนอย่างพิธีกรรมทั้งโลกอะไรต่างๆเนาะพยายามเน้นจัดฉากให้สวยงามให้ดูดีให้น่านับถือแต่อาจจะไม่ค่อยได้เน้นที่เนื้อหาสาระ ของสิ่งที่จัด น, ะนี่คือภายนอกมันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าผู้ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยภายนอกนี่ก็จะเอาพอเพียงแค่เป็นพิธีนะพอเป็นเพียงแค่ไม่ได้ว่าขัดแย้งกับโรคนะแต่สิ่งที่เราเน้นจริงๆคือเรื่องสภาวะภายในใจนะหรือว่าธรรมะหรือว่าสาระที่สําคัญในการที่จะ ทำชีวิตให้มันดีงามขึ้นหรือว่าให้มันพ้นจากความทุกข์ให้มากขึ้นฉะ น, นั้นพวกเราเลยเน้นเรื่องสภาวะภายในใจนะให้มันเกิดความมั่นคงให้มันเกิดความสะอาดให้มันเกิดความสงบให้มันเกิดความตื่นรู้นี่นคือสภาวะที่ที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาแต่ที่จริงมันอาจจะไม่ต้องเรียกว่าสร้างนะที่จริงสภาวะพวกนี้ มันมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ ว, ว่าเราเราละเลยเราลืมเรือนสภาวะพวกนี้มันก็เลยไม่มันก็เลยปรากฏไม่เด่นชัดเนาะแต่จริงถ้าใครปฏิบัติธรรมแล้วสังเกตได้ว่าที่จริงไอ้สภาวะความสงบในใจสภาวะความมั่นคงในใจเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะข้างนอกอาจจะดูวุ่นวายแต่ในใจเนี่ยมันสงบ มันสามารถทำได้มันเหมือนกับต้นไม้นะต้นไม้ต้นไหนที่มีแกนน่ะต้นนั้นต้นไม้ต้นนั้นก็มั่นคงนะแก่นไม้มันแข็งแรงเนมันมั่นคงแม้จะมีกัะพี้บ้างแม้จะมีเปลือกบ้างแม้จะมีกิ่งก้านใบบ้างมันเป็นภายนอกแต่ถ้าต้นไม้ต้นไหนมันมีแกนเนี่ยเนะ่มันเป็นหลักนะ ให้ต้นไม้นั้นมันมันมั่นคงมันไม่หวั่นไหวแม้ไหวไปบ้างแต่มันก็กลับมาได้ง่ายหรือว่ามันแข็งแรงกว่าต้นไม้ที่ไม่มีแก่นชีวิตจิตใจที่มีแก่นสารสาระแห่งธรรมะก็เหมือนกันนะมันก็จะเป็นชีวิตจิตใจที่ข้างนอกอาจจะดูอ่อนไหวหรือดูอะไรก็แล้วแต่นะแต่ข้างในมันมั่นคงเหมือนที่นะ ไม่มีภาสิตบอกเนาะข้างนอกอ่อนนอกนะแต่แข็งในนะคนที่มีธรรมะเนี่ยอ่อนนอกแข็งในนะนะข้างในใจมันมีความมั่นคงมันมีความไม่หวั่นไหวนะกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ข้างนอกเนี่ยอ่อนโยนปรับตัวหรือว่าสอดคล้องกับทุกสิ่งทุกอย่างนะนะอ่อนน้อมถ่อมตนบ้างนะ เป็นมิตรกับธรรมชาติบ้างไม่มีตัวตนไม่มีมานะทิฏฐิที่ไปฟาดฟันหรือแข่งขันเอาชนะคนอื่นนี่คือข้างอ่อนนอกแข็งในเนาะมันแข็งเพราะอะไรแขงเพราะว่าเกิดจากการที่เรารู้ตัวเนี่ยแหละนะลองสังเกตยอย่างที่ว่าถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนาะมันจะสัมผัสกับสภาวะที่มันปกติ อยู่ในจิตใจจิตใจมันมีสภาวะที่ปกติมันมีอยู่แล้วแม้ข้างนอกจะมีเสียงดังแม้บางทีมันจะมีความคิดปุงแต่งในจิตนะแต่สติมันจะอยู่ส่วนที่ลึกที่สุดที่มันเห็นว่ามันเป็นคนส่ส่วนกันกับเสียงข้างนอกมันเป็นคนส่ส่วนกันกับเสียงในใจนะแม้ใจส่วนหนึ่งมันจะคิด แต่สติที่มันอยู่ข้างในลึกๆที่เป็นสภาวะที่ดั้งเดิมเดิมแท้เนี่ยเออมันก็เป็นคนส่วนกันนะมันจะแยกได้ว่าไอ้ที่ฟุ้งซ่านมั น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นเพียงแค่อาการของจิตอย่างหนึ่งแต่มันไม่ใช่จิตจริงๆนะจิตจริงๆคือสภาวะที่ปกติจิตจริงๆคือสภาวะที่มันไม่ได้เป็นอะไรกับทุกอย่าง ให้ที่มันเป็นสิ่งต่างเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนะมันเป็นเพียงแค่สมมติอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะถ้าเราเห็นอันนี้นโอ้ข้างนอกจะมีเสียงดังจะไม่สงบจะอะไรก็แล้วแต่เนาะเออเราห้ามเราแก้ไม่ได้แล้วก็ปล่อยมันไปไม่ส่งจิตไปรำคาญไปฟรุงแต่งไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถือเป็นเรื่องธรรมดานะ บางทีก็มองได้ปัญญาถือเป็นเครื่องทดสอบดูนะทดสอบดูว่าข้ า, างในใจจะสงบได้ไหมแม้ข้างนอกวุ่นวายเสียงดังนะนะให้เราถือเอาบางทีคืนนี้นะอาจจะดังนะในวัดนะสงบนะแต่ข้างนอกอะ่ะเสียงมันดังเข้ามาถึงในวัดเราคิดว่าเราออกจากเมืองมาหาความสงบแต่มาอยู่วัดก็ยังมีเสียงดังอยู่ ให้มองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะตอนจามาภาวนาใหม่ๆตอนนั้นก็อยู่ภูหลงนะป ร, รษหาแรกอยู่ภูหลงห่างจากวัดนี่ห่างจากหมู่บ้านส า, สามกิโลได้นะอสองสามกิโลได้แต่บางทีช่วงเทศกาลอะไรต่างๆนะก็มีเสียงดังมาถึงในวัดเราก็อยู่กุฏิบนเขานะก็ว่าอยู่ไกลละแต่เสียงมันก็ดังเข้ามานะ ใจก็หงุดหงิดนะหงุดหงิดว่าอุตส่าห์หนีมาอยู่ในปา่าแต่ก็มีเสียงดังตามมาเนาะอะไรนะ น, นั้นก็เกิดจิตวิภาควิจาร์ทำไมเปิดเสียงดังเกินไปไม่เป็นเวล่มเวลาอะไรก็ต่างๆก็ได้แต่จิตมันไปวิจาร์ก็คือจิตมันดืมตัวนะเมื่อไรที่เราหลงไปวิภาควิจาร์แม้สิ่งที่เราวิจารมันจะถูกนะมันจะถูกต้องมันจะเหมาะสมอย่างใดก็แล้แต่ แต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราดืมตัวจิต ท, ที่ว่พาวิจาร์เนี่ยมันดืมตัวนะลองสังเกตมันจะมันจะคล้ายๆไปชี้ว่าคนอื่นผิดชี้ว่าเราถูกนะมันก็เป็นการยึดมั่นถือมั่นในความผิดความถูกนะที่จริงมันก็ถูกมันก็ผิดมันก็ดีอยู่ละนะแต่สิ่งที่เราเกิดความทุกข์อะไรคือเรายึดมั่นถือมั่นนะที่จริงผิดถูก ชอบไม่ชอบอะไรต่างๆ ม, มันก็มีของมันนะแต่สิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์คือเราไปยึดนะแต่ถ้าเราเป็นผู้แค่สังเกตว่าเออจิตมันปรุงของมันเองเนาะเนื่องด้วยสัญญาที่เราจําได้เนื่องด้วยทิฏฐิที่มันมีถ้าเราเห็นมันเป็นเพียงแค่การทํางานของขันทั้ง5้านะมันก็ปรุงของมันไปนะปรุงเป็นสุขบ้างปรุงเป็นทุกข์บ้าง เป็นสัญญาจำได้ไหม่รู้บ้างเป็นสังขารปรุงแต่งบ้างเป็นวิญญาณการรับรู้สิ่งต่างๆบ้างมันก็ปรุงทำงานของมันไปนะแต่ถ้ามีสติดูเนี่ยมันก็จะเป็นคนส่วนกันนะกับขันทั้งห้าต่างๆเหรานั้นนะมันก็เพียงแค่รู้เฉยๆนะรู้เฉยๆมันจะปรุงก็ปรุงไปนะแต่ใจไม่ต้องพุุงซ่าไม่ต้องสับสน วันนี้ก็มีโยมคนนึงนะก็โทรมาหาแตมาไม่รู้ได้เบอร์มาจากไหนอโทรมามาเขาก็มีความทุกข์ใจเรื่องเนียเรื่องว่ามันทำงานก็ไม่สงบทำอะไรก็ไม่สงบเพราะว่าข้างในจิตอะ่ะบางทีมันก็คิดไม่ดีหรือบางทีมันก็เห็นนิมิตนั่นนิมิตนี้นะจิตมันไม่สงบเลยนะคิดไม่ดีเยอะแยะมากมายเลย ลบดูพระสองฆ์องค์เจ้าหลายอย่างทั้งๆ ท, ที่จริงๆนึกๆอะ่ะเขาไม่ต้องการที่จะเป็นแบบนั้นเลยแต่ในใจมันคิดของมันนะเขาเขาวางใจผิดก็เลยทุกนะวางใจที่อยากไม่อยากให้คิดไม่ดีไม่อยากลบดูพระสองฆ์องค์เจ้านะอยากให้มีความสงบอยากให้มีสมาธิภายในจิตสิ่งที่เขาทําพลาดก็คือ เขาไปไม่ชอบนะสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจอยากจะไปจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจอยากจะให้มันดีอย่างเดียวไม่อยากให้มันไม่ดีนะก็เกิดความฟุงซ่านในใจเกิดความทุกข์ในใจมากอาจามาก็ฟังโทรศัพท์ไปก็ปล่อยให้เขาพูดไปก่อนนะให้เขาระบายไปก่อนพอพักๆหนึ่งก็บอกแล้ว โยมเนาะลองสักอลองสักครึ่งนาทีเนาะลองหายใจเข้ารู้สึกตัวดูซิหายใจออกรู้สึกตัวดูซินะลองตามลมหายใจไปสัก3มรอบดูซินเขาก็ตามไปนะไอเต่ก่อนที่เคยแบบบาบาบาบาแบา บ, าบายาวไปเรื่อยๆนะเข้าใจไห ม, มคือพูดไม่หยุดนะนอนสตอปนะ พอหายใจสักพักสาี่รอบนะเออก็นิ่งขึ้นสักพักหนึ่งนะก็คุยไปสักพักคราวนี้ก็เดิ่มไหลอีกล้วลอ่ะวิจภาควิจารณ์ตัวเองอยากดีอีกแล้วอ่ะโยมเดี๋ลองดูสิเอาเอามือเอานิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แตะกันเนาะลองคึง น, นิ้วดูสินะสัก3ามสี่รอบเป็นยังไงนะ อ่ะคราวนี้ลองเอามืออีกข้างหนึ่งที่ไม่ไถือโทรศัพท์เนาะลองวางไว้ที่หัวเขา่าลองพลิกหงายลองพลิกคว่ำดูซิเป็นยังไงนะเขาบอกเขาพลิกมือสักครึ่งนาทีเออก็กลับไปถามเขาว่าเป็นไงจิตตอนนี้เป็นยังไงนะจิตตอนนี้กับตอนที่โทรศัพท์ไม่ไปเป็นยังไงมันเขาก็สัมผัสได้นะว่าเออ ที่จริงพอกลับมารู้สึกตัวนะี่ความฟุ้งซ่านหรือว่าความทุกข์ในใจเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปเยอะเลยนะเขาบอกเออก็สงบขึ้นไอความคิดที่มันมันปรุงแต่งมันก็มันก็แบบมันก็ไม่ทำให้ํำคาญมากขึ้นเออมาก็เลยชีว้ว่าเห็นไหมเนี่ยที่จริงเนะี่ยกายกายที่เคลื่อนไหวเนี่ย หรื อ, อยาบทที่กำลังทำอยู่เนี่ยให้เราอยู่กับมันนะให้เรามีสติคอยรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไอ้ตัวเนี้ยอาจจะเป็นหลักทำให้อารมณ์ความคิดสิ่งต่างต่างที่มันเกิดขึ้นมาในจิตนะมันทำอะไรเราไม่ได้นะมันเหมือนกับนี่มาก็เปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับสมมติว่าในแม่น้าที่เชี่ยวเนาะน้ำไหลแรงแต่ถ้ามี ท่อนไม้ที่เป็นลำต้นใหญ่ๆสักต้นหนึ่งนะมาอยู่กลางน้ำถ้าเราอยู่ในกระแสน้ำถ้าเราเกาะกับท่อนไม้ต้นนั้นไวเนาะน้ำมันจะเชี่ยวขนาดไหนเนาะเราเกาะไวด้ดีๆเนี่ยเราก็ไม่โดนน้ำมันพัดพาให้ไหลไปนะในกระแสความคิดในกระแสอารมณ์ในจิตก็เหมือนกันนะถ้าเรามีหลักเนี่ยเช่นกายานุปัสนา เคลื่อนไหวรู้สึกตัวนะทำอะไรรู้สึกตัวเนี่ยมันจะคิดก็เรื่องของมันนะแต่เราเกาะไว้กับกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยสังเกตไหมมันต่างกันนะแต่ถ้าเราไม่ไม่มีหลักในการปฏิบัติไม่มีเครื่องอยู่อะไรเนี่ยอารมณ์เกิดขึ้นมาเราก็ไหลไปตามอารมณ์นะอารมณ์สุขก็ไหลไปสุขอารมณ์ทุกข์ก็ไหลไปทุกข์ อารมณ์เศร้าก็ไหลไปเศร้าอารมณ์ดีใจก็ไหลไปดีใจใช่ไหมฟุ้งซ่านก็ํำคาญใจนะสงบก็พอใจอะไรนะคิดดีก็รู้สึกปลื้มใจคิดไม่ดีก็รู้สึกทุกข์ใจอันนี้คือมันไหลมันไม่มีมันไม่มีหลักไม่มีเกาะเนาะแต่เนียเพียงแค่เรากลับมารู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวนะ มันเป็นหลักให้แบบจิตมันมันมีเครื่องเกาะนะมันก็ยังคิดเหมือนเดิมนะเขาก็บอกว่าเขาาก็ยังคิดเหมือนเดิมนะอัตมาก็บอกว่าพระก็คิดเหมือนกันโยมคนอื่นก็คิดเหมือนกันไม่ใช่มีแต่เราหรอกที่คิดนะแต่นักปฏิบัติธรรมคือมีเครื่องเกาะแบบนี้แหละนะมีเครื่องอยู่นะกรรมาฐานคือเครื่องอยู่ เช่นกายานุปัสนาเนี่ยเป็นเครื่องอยู่นะความคิดมันจะไหลนะอารมณ์จะไหลก็แล้วแต่เรื่องของมันแต่พอเรามีเครื่องอยู่จิตมันก็ไม่ไหลไปอันนี้แหละนะเราก็ทําเพียงแค่นี้แหละนะต่อไปนะัทธโยมเกาะตัวนี้ได้ไปบ่อยคราวนี้ก็ลองไหว้บ้างลองตีขาล อ, ลองอะไรบ้างพอเราไหว้น้ําเป็นนะครา้นี้เครื่องเกาะมันก็ไม่ต้องเกาะ แดงมากเนาะแต่เราก็ใส่การรู้ตัวในเยบทอื่นๆรู้ความรู้สึกบ้างรู้ความคิดบ้างอะไรแบบนะี้รู้ธรรมมาดมต่างๆบ้างมันก็เหมือนลอยคอได้เนาะลอยคอหรือว่ายน้ําทวนกระแสได้แบบนี้หรือว่ายน้ําเข้าไปสู่ฝั่งได้ก็ไม่ต้องเกาะแต่ท่อนไม้อย่างเดียว อันนี้คือมันจะทำให้เราออกจากอารมณ์ได้นะการที่เราเริ่มต้นได้มีหลักกรรมฐานเช่นกายานุปัสนาเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ไปวุ่นวายหรือไม่ไหลไปกับความคิดต่างๆนะมีหลักตัวเนี้ยเกาะไว้แต่พอเข้มแข็งตั้งหน่อยก็ต้องฝึกหัดว่ายน้ำเหมือนกันนะจะเกาะแต่กายอย่างเดียวจะรู้แต่กายอย่างเดียวไม่ไปรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมาเนี่ยก็เหมือน เราก็เกาะอยู่กลางกระแสน้ําเนาะไม่ไปเห็นอารมณ์ไม่ไปเห็นความคิดไม่สามารถที่จะพ้นขึ้นไปสู่ฝั่งที่มันปลอดภัยกว่าเนี่ยมันก็ยังไม่มันยังไม่ชื่อว่าเรายังชื่อว่ายังไม่ปลอดภัยนะแต่อย่างน้อยก็มีหลักในการอยู่นะหลักในการทําให้จิตมันไม่ฟุ้งซ่านที่จริงจิตมันฟุ้งซ่านก็เรื่องของมันนะแต่เราจะเห็นว่าฟุ้งซ่านก็เรื่องของจิตแต่ ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสภาวะที่มันมั่นคงนะจะฟุ้งก็ฟุ้งไปพอเรารู้สึกตัวเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้นะคิดก็คิดไปสุขก็ถูกไปทุกข์ก็ทุกไปนะไม่เป็นไรสภาวะ ร, รู้สึกตัวเนี่ยเหมือนที่มาบอกว่ามันเป็นแก่นของชีวิตเราเนะมันเป็นแก่นที่มีความมั่นคงมีความตั้งมั่นมีความสว่างไสวยอยู่ในนั้นแม้ข้างนอก จะมืดขนาดไหนแม้ข้างนอกจะวุ่นวายขนาดไหนนะแต่ใจมันมีความมั่นคงอยู่เหมือนนะ่ะอันนี้คือถ้าใครสัมผัสสภาวะพวกนี้ได้นะเออมันจะรู้สึกว่าปลอดภัยนะจะทําอะไรก็ได้นะจะทํางานก็ทําได้นะสังเกตถ้าเราทํางานเราก็จะเออสํารวมวาจาของเราเองเนาะจะไม่พูดพั่าทําเพลงอะไรมากมายก็ทํางานก็คือ ทำงานเพื่องานนะไม่ใช่ทำงานเพื่อความสนุกสนานนะไม่ใช่ทำงานเพื่อเพื่ออะไรต่างๆเราทำงานเพื่องานให้มันดีนะใจเราก็อยู่กับงานที่ทำใจเราก็อยู่กับร่างกายที่กำลังทาอยู่นะ่ก็ถ้าทาแบบนี้ได้ก็การทำงานก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะใช่แต่ถ้าทำงานแล้วก็จิตฟุ้งซ่านหรือว่า หัวเลาพูดคุยหรือว่าไหลพี่กับอารมณ์ก็อันนั้นก็ได้แต่ได้แต่งานที่เป็นรูปธปรรมนะแต่งานทางใจก็ไม่ได้นะเพราะนั้นถ้าเราก็สังเกตดูอ่านะเราทำงานเราก็ต้องมีสติกับการทางานนะทำงานก็คือตั้งใจทำนะตั้งใจทาจะทำอะไรก็แล้วแต่ตั้งใจทำอยู่ตรงนั้นนะอ่านะ จิตมันฟุ้งซ่านไปที่อื่นก็กลับมาอยู่กับงานที่เรากําลังทำนะถือว่างานเป็นวิหารธรรมเป็นกรรมฐานนะเหมือนฐานกับที่เรายกมือสร้างจังหวะเหมือนฐานที่เราเดินจังกรมแลก็กลับมาอยู่กับสิ่งที่เราทําถ้าเราทําแบบนี้ได้นะการทํางานก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะโยมคนนั้นเขาก็เป็นเขาบอกว่าเขาเป็นพยาบาลอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละนะเขาก็บอกว่ามาก็บอกว่าเออโยมก็เวลา จับลิงเนาะก็รู้สึกตัวเนาะเวลาดูดยาขึ้นมาก็รู้สึกตัวนะเวลาไปมือเราไปจับคนไข้ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่เนาะฉีดยาเข้าไปเนี่ยเราก็รู้สึกกับสิ่งที่เราทำนั่นแหละอ่าหรือแม้แต่เอียบบทประจำวันของเราเนาะเดินจากเตียงนี้ไปอีกเตียงหนึ่งนะเดินจากที่นี่ไปโรงพาหาไปทานข้าวแล้วก็รู้สึกกับสิ่งที่เราทำใน ปัจจุบันนี่แหละนะบางทีพอเราคนมันทุกเนาะคิดแต่อยากจะมาวัดนะคิดว่ามาวัดแล้วจะสงบคิดว่าบวชแล้วจะสงบแต่จริงหารู้ไหมว่ามันไม่ใช่อยู่ที่วัดไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบเนาะมันอยู่ที่การกระทําของเรานี่แหละนะถ้าเราทําอะไรแล้วก็มีสติก็ชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมเรามีธรรมะอยู่ในจิตในใจแล้วไม่ใช่ว่าเราต้องมาอยู่วัดหรือเราต้องมาบวชนะ ถ้าอยู่วัดหรือมาบวชแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันก็ไม่สงบเหมือนเดิมนั่นแหละนะมันอยู่ที่การกระทําของเรานั่ยแหละนะอยู่ที่เรามีสตินั่นแหละนะทําอะไรก็พยายามมีสตินะรู้ทันกายรู้ทันใจอยู่เสมอนะเราก็ทําแบบนี้มันก็จะเป็นอาจจะสัมผัสได้อ้อสภาวะที่มันมันไม่ทุกข์นะมันมีอยู่ในตัวของมราอยู่แล้วนะพ่อขงเขียนมาจะบอกอยู่เสมอนะว่า ขณะที่โกรธเนะี่ยความไม่โกรธมันก็มีอยู่ขนาดที่หลงความไม่หลงมันก็มีอยู่ขนาที่ทุกข์ความไม่ทุกข์มันก็มีอยู่นะมันมีอยู่ในนั้นจริงๆนะแต่ก่อนเราคิดว่าโกรธนะี่ยมันมีแต่โกรธอย่างเดียวแต่จริงในความโกรธมันก็มีความไม่โกรธในความทุกข์มันก็มีความไม่ทุกข์นะดูดีๆนะเนี่ยหลวงพ่อ says, ดูดีๆ แต่ก่อนเราก็ดูไม่ดีนะก็ไม่เห็นนะเห็นแต่ด้านเดียวแต่จริงในสภาวนะพวกนั้นมันมีอยู่นะในความวุ่นวายภายนอกนะมันยังมีความสงบอยู่ภายในใจหรือแม้แต่ในใจมันวุ่นวายมันคิดนั่นคิดนี่แต่พอมีสติรู้ตัวเมื่อไหร่อ้มันมีความสงบที่มันลึกๆอยู่ใน ใ, นใจอยู่อันนี้แหละไม่ต้องเทรแสวงหาที่อื่นเลยนะการจ ะ, ะแสวงหาธรรมะ การจ ะ, สะแสวงหาครูบาอาจารย์การจ ะ, สะแสวงหาความพ้นทุกนะอยู่ในตัวเราหมดแล้วนะเพียงแค่กลับมารู้สึกตัวให้ได้นะกลับมามีสติให้ได้เนะี่ยมันจะเห็นว่าไอ้ความไม่ทุกข์ก็อยู่ในตัวเรานะอยู่อยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วเนะี่ยให้เราสัมผัสกับสภาพพวกนี้บ่อยๆเนาะกลับมานะพัฒนาเขาให้มัน มันคงเข้มแข็งจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนี่ยแหละคือการภาวนาเนาะภาวนาคือการพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาสภาวะที่มันมั่นคงเข้มแข็งเบิกบานตื่นรู้นะ่ะให้มันขยายไปเรื่อยๆนะให้มันเปลี่ยนนะจากความหลงเป็นความไม่หลงไปเรื่อยๆนี่แหละมันก็จะเข้าถึงสภาวะนะธรรมะนะที่มันมีอยู่แล้วในคนทุกคนนะ นะก็ให้พวกเราได้เอาธรรมะพวกนี้ไปใช้นะจะทำอะไรก็ได้แต่สภาวะความไม่ทุกข์สภาวะการมีสติมันมีอยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะละเลยเราจะลืมเดือนไปหรือเปล่านะถ้าเราไม่ลเลยเราไม่ดืมเดือนเนะี่ยเราจะสัมผัสได้ว่าอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้นะอยู่กับความวุ่นวายก็อยู่ได้อยู่กับคนแบบไหนก็อยู่ได้ แต่ทำการทำงานแบบไหนก็ทำได้นะถ้าเรามีสติะมันจะมีสินในตัวของมันเองมีอินทรีย์สังวรนะสินเนี่ยสำคัญนะสตินะ่มันจะสำรวมตาสำรวมหูสำรวม อ, อายัตนะต่างๆทั้งหมดของมันเองอันนี้คือสินที่แท้จริงนะไม่ใช่ว่าสมาทานสินสินคือการที่อินทรีย์สังวรก็คือสารวมระวังนะไม่ทาผิด เมื่อจิตมันมีอินทรียร์สังวรนอะ้มันก็มีสมาธิมีความตั้งมั่นมีความมั่นคงมีความไม่หวั่นไหวนะมันก็เกิดปัญญาเข้าใจความจริงของรูปของนามเข้าใจว่าสิ่งต่างๆมันเป็นเพียงแค่อาการของรูปอาการของนามมันเป็นเพียงแค่ธาตุสี่มันเป็นเพียงแค่ขันห้5มันไม่ใช่เรานะไม่ใช่ตัวตนของเรานะ อันนี้มันจะเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่อาการของฆ่าของธาตุของขันเท่านั้นพิยงต่างมันก็มีแค่นี้นะถ้ามีสติมันจะเกิดปัญญาพวกนี้แหละเมื่อเกิดปัญญาแล้วมันก็เกิดญาณรู้ว่ามันดุจพลแล้วนี่คือสภาวะที่เราสวนในอนัตตลัคนัสูตรเนาะมันมันเกิดปัญญามันก็เกิดญาณที่จะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นเพียงแค่ Altung, Pop ร, mind, รูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันไม่เที่ยงที่มันเป็นทุกข์ที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อเราเห็นมันเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็ไม่ยึดมั่นถ well ือม <st> ั่นของมันเองนะถ้าเราเห็นเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนน่ะมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นของมันเองนะเราก็เพียงแค่ฝึกให้มันเห็นบ่อยๆมันจะเกิดความเข้าใจของมันเนาะ ก็คงพอสมควรเกเวลานะองกาศพระพร้อมกัน